คณะศรัทธาญาติโยมมาวัดหลวงพ่อผู้มาใหม่ก็คงมีวันนี้พราะเห็นหน้าแปลกๆ ก, ก็คิดในใจเอ๊ะวัดหลวงพ่อเนี่ยจะมีพระจำพรรษาเท่าไหรน่น้อก็มีตั้งคาถามขึ้นมาอีกแค่ไหนละ่ะอออยากจะรู้อีกว่าพระจําพรรษาในวัดหลวงพ่อนี่มีเท่าไหร่น้อปีนี้เนี่ยพระทั้งหมดสี่สิบสองพระจําพรรษานะวันนี้ลงมาฉันอาหารสาสิบเจ็ดงดไปห้าองค์วันนี้ไม่มาฉัน เลยมากไม่ค่อยมาฉันพร้อมกันบางทีก็อดถึง10กว่าองค์ก็มีหลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานสายลงปูมันเนี่ยต้องเป็นปฏิปทาที่อดอยากไม่ใช่ปฏิปทาที่ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือฝึกฝนกันมาแบบให้แกล่งเอาไว้ครูบาอาจารย์ท่านเที่ยวไปในป่าดงพงไพยบางทีได้ชั้นบังมาในชั้นบัง บางทีได้ฉันอาหารที่ไม่ถูกใจของเราบางทีมีแต่ข้าวเปล่าๆอย่างนี้นก็มีมากถ้าเราออกเดินธุดงในป่าเพราะชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็ต้องได้ประสบพบในเรื่องแร้นแค้นกันดานคนราะนั้นปฏิปทาของครูบาอาจารย์พอท่านมาเป็นหัวหน้าวัด หรือเป็นสมพานวัดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาชั้นยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้เพราะท่านฝึกมาแบบนั้นแต่ถ้าว่าฝึกมาแบบเหลือเฟือฟุ่งเฟยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก่อนยุบตัวไม่ลงว่างั้นเถอะเพราะมันเคยฟุ่งเฟือยมาก่อนแล้วเพราะนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าโดยมากท่านจะแนะนําสอนคณะสิทธิ์ให้เป็นผู้อดทน ให้รู้จักประมาณตนอย่าไปให้ความสำคัญในการอยู่การกินการหลับการนอนการพูดการคุยคุกครีด้วยหมู่คณะท่านจะแนะนำให้อยู่ในมุมสถานที่สงบสงัดเพื่อจะได้ดูใจของตนเองนี่แหละกรร ม, มาฐานบางคนก็บวชเข้ามาแล้วก็มาอยู่วัดเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เห็นทำอะไร อยู่เฉยๆทางองค์ก็ต่างอยู่แต่ละวันฉันจะหานเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักแล้วก็ไปนั่งอ่านหนังสือจากนั้นลงมาฉันน้ำแล้วก็ปัดกวาดทําทความสะอาดก็ไม่เห็นทําอะไรแต่ละวันแล้วว่าองค์นั้นยังไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ถ้าศึกษาให้ถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าที่ท่านไปอยู่ในป่ารงพงไพไปอยู่ฝึกฝนพระองค์อยู่ในป่าถึงหปีนะเนี่ยพระองค์ทําอะไร ถ้าเราได้ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เอาจอบเอาเสียมเอาปากกาเอาสมุดตินสอเอาเครื่องคิดเลขเอาปืนผาหน้าไม้ไม่ใช่ไม่มีสักอย่างขนาดพระแสงดาบพระแสงขันพอรงพระเกษาจบแล้วก็มอบให้ในายชนะกลับหมดเอาไว้แต่บริขารแปดผ้าย้อมฝาดกระ บ, บดใบหนึ่งเท่านั้นเองที่อยู่ในป่าอันนี้คือ พระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราจากนั้นพระองค์ก็ทดสอบเลยทีนี้ทำไมอะไรที่พามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่คืออะไรพระองค์ก็ไปค้นคว้าศึกษาถ้าเราได้ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธองค์นี่เสี่ยงตกความตายมากๆทำไมพระองค์อดอัดกั้นลมก็จนสลบให้เข่าปิดปากปิดจมูก ลมออกหูปิดหูอีกไม่ให้ลมออกออลมไม่มีทางออกมันกิกระทุ่งขึ้นไปข้างบนสลบถึงขนาดนั้นพอฟื้นขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ทางพอฟื้นขึ้นมาก็ดูอีกวันใจของเราเป็นยังไงมันยังรัก ม, รมันยังโกรธมันยังโกรธมันยังหลงอยู่อย่างเก่าไม่ใช่ทางเอาใหม่หาวิธีการใหม่อดภักยาหารถึงสี่สิบเก้าวัน จนขนในร่างกายเนี่ยหลุดหมดพอเอามือรูปไปที่ไหนขนหลุดเลยเพราะว่าขนไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงลากมันเน่าหมดแล้วอพอถึงสี่สิบเก้าวันพระองค์ก็คิดจะเป็นใครก็ตามถ้าอดมากกว่านี้คงตายแน่อันนี้เราเหยียบเส้นแดงแล้วถ้าไม่ถอยเราก็ต้องตายอีกเหมือนกันพระองค์ก็กลับมาฉันปักญาหาราในช่วงนี้ละปัญจวคีที่คอยดู ปล่อยผลนิบัติพระพุทธเจ้าในขณะนั้นโอ้พระพุทโธสิท ธ, ธาเนี่ยเอาจริงแลวะเนี่ยปัญจวคีตังข้ า, าโกนทัญยะว่าป่าพัทยามหานามาอัจฉชิหนี่ห้าองค์คอยจ้องตาเขม่งอะไรเงั้นแต่คราวนี่แบบสิท ธ, ธาจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านใ้พระองค์ท่านปฏิบัติยังไงท่านก็ไม่ได้พูดให้ปัญจวคีฟังทุกเรื่องราวใช่ไหมเพราะอยู่ในพระทัยของพระองค์จากนั้นปัญจวคีตังข้ า, าก็มองดู คิดว่าถ้าเป็นอย่างนักมวยนะถ้าเราอยู่ข้างเวทีเนี่ยปัญจวัคคีย์อยู่ข้างเวทีเนี่ยสิท ธ, ธิ์ฐาคือพระพุทธเจ้าของเราขึ้นบนเวทีว่างั้นเถอะไปชกกับกิเลสปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าก็คงจะนั่งจ้องค่าวนี้แหละลูกพี่และศิทธิ์ฐาจะนอกกิเลสในพระไทยของพระองค์จะคงจะคิดลักษณะอย่างนั้น แต่หลวงพ่อเองถ้าเกิดในยุคนั้นถ้าหลวงพ่อไม่ตายก็คงจะมาเล่าให้พวกเราฟังชัดๆกว่านี้ว่างงือนกันเถอะอันนี้มีแต่ประมาณการคิดว่าอย่า ง, งนงงั้น เ, เ่างอนกันเถอะอผลที่สุด พ, พระพุทธองค์โอโ้ไม่ใช่ทางกลับมาฉันพักร า, าหารอีกสิเริ่มฉันอาหารอีกปั้นจั๊กวขีต่างห่าโอ้สิท ธ, ธะคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วไม่ได้สําเร็จถึงพวกเราจะเฝ้าอยู่นี่ก็เปล่าประโยชน์ไป หนีเรานั่นแหละัญญาโกณทัญยะกับรือสีทั้งห้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าอิสิป ต, ตนามิขายวันห่างจากพระพุทธเจ้าหลายกิโลเหมือนกันนะพอไม่มีรือสีเป็นเพื่อนท่านคนภาวนาของท่านเองทีนี้นี่แหละที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้ฟังเนี่ยคือพระพุทธเจ้าไปทดลองทดสอบอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านไม่ได้ถืออะไรไปด้วย มีแต่ท่านทดสอบทางจิตใจของพระองค์แต่วันที่ได้ตัดสรุธทำคือวันสูตรสําเร็จนะสูตรสําเร็จคือทดลองวิทยาศาสตร์ดูแล้วจนลงตัวสําเร็จอย่งั้นเถิดเมื่อเขาหาเคมีอย่างนั้นนะตรวจสอบเคมีและตรวจสอบแร่ธาตุที่จะมาใช้ประโยชน์อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าขอประสบความสําเร็จในวันเดือน6กเพนที่ท่านได้ตัดสรู้ท่านนั่งสมาธิ อย่างที่ลุงพ่อได้พูดเมื่อคืนเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติสัมปชัญญะไม่คิดไปทางอื่นบังคับให้มันอยู่ในจุดเดียวคือลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่ต้องบังคับนะขนาดพระองค์บังคับขนาดนั้นใจก็ยังแวบออกไปข้างนอกไปเห็นพยามารใช่ไหมท่านเห็นพยามาร นางตันหาหลาคาอรดีลูกสาวพยามารมาล่อลวงพระ อ, องค์ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นปุคลาธิฏฐานก็นคือนางตันหาหลาคาอรดีเหมือนจะเป็นตัวเป็นตนมาโยโยนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นธรรมมาธิฐานคือใจของพระ อ, องค์นี่ยสเว็บออกไปไปเห็นอารมณ์ที่น่ารักใคร เ, เรียกว่ากามตันหา นางตันหานางลาคานางตันหานางราคะนางอรดีคือนางอิดชานางเบียดเบียนในใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็เห็นเห็นในใจอันนีนะ้เรื่องทั้งหลายที่คนทั้งหลายจิตวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายในโลกที่เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้เพราะมันติดข้องอยู่นี่แหละนางตันหาราคาอราดีเนี่ยตัวใหญ่นันก็คือความหลงก็คือพยามานันพยามันคือโมหะ พระ อ, องค์ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่และเลือกถึงบุญบา ร, รมีของพระ อ, องค์ในอดีตชาติเพราะชาตินี้เป็นชาติชุดท้ายของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานบุญของข้าพเจ้ากุศลของข้าพเจ้าคุณงามความดีของข้าพเจ้าทั้งบา ร, รมีทั้งสาสบให้มาช่วยข้าพเจ้าด้วยในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเอาชนะจิตใจของข้าพเจ้าแล้วเออ่พระองค์ก็คงจะอธิษฐานอย่างนั้น พ่อที่ฐาน้มีนางมาม้วยผมเป็นน้ําขึ้นมาแล้วพยานมารกระดมน้ําตายทั้งหมดสรุปแล้วก็คือน้ําพระไทยของพระองค์ใสบริสุทธิ์เป็นธรรมะล้วนๆพิจารณาไตรายตองด้วยเหตุและผลแล้วเอาชนะใจของพระองค์เองได้พอชนะใจของพระองค์พระองค์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลส ต, ตัวไหนจะเข้ามาได้ท่ราคะโทสะโมหะเข้ามาสู่พระไทยของพระองค์ไม่ได้ พระองค์ก็ชนะกิเลส ท, ที่โคลนต้นโพในวันนั้นนี่แหละพระพุทธองค์ชนะที่ไหนท่านหาธรรมท่านหาที่ไหนท่านชนะที่ไหนท่านชนะที่ใจของท่านพอใจของท่านได้ตัดรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยเป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยบริขารแปดก็เป็นบริขารของพระพุทธเจ้าบริษัทบริวารก็เป็นบริวารของพระพุทธเจ้า กุติวิหารวัดวาศาสนาก็เป็นวัดวาศาสนาวิกุติวิหารของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าใจของพระองค์ได้ตัดสู้รมแล้วนะสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์เน้นเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุพังขมาธรมมามโนเสรามโนมายาถึงจะพูดไปจุดไหนก็เถอะก็ยังไม่พ้นจุดใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าใจของเราเอาชนะ ใจของตนเองได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดแต่ถ้าว่าเราเอาชนะใจตนเองไม่ได้จะทำอะไรก็ทำตามอัธยาใจเพราะกิเลสพาไปกิเลสไปทางราคะบังโทสะบังโมหะบังอยากจะไปที่ไหนก็ไปตามอำเภอใจไปตามอัธยาใจอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยากสังสมคุณงามความดีจากจะไหว้พระ อยากจะนั่งภาวนากิเลสก็ตึงิดตึงอิดขึ้นมาแล้วลำคาญเอาคว้าโทรศัพท์มาคุยกับคนนั้นคนให้ว่างแก่ลำคาญตามไม่จริงมันไม่ใช่แก้ลำคาญมันเพิ่มลำคาญครั้งหน้าอีกก็เป็นอย่างเก่าครั้งต่อไปก็เป็นอย่างเก่าผลที่สุดทางมากกว่านั้นเดินออกไปหาอยู่หากินอ่ะเพราะแก้ลำคานผลนี้สุดความลำคาญมัอนอย evet. ู่ที่ใจมันไม่ใช่แก่มันเพิ่มความพยองพองตัวของกิเลสอยู่ในความลำคาญของกิเลสนั้นๆอยู่ในจิตใจกิเลสนั่นก็ยิ่งพยองพองตัวขึ้นเรื่อย เพราะนั้นเราต้องรู้จักต้นตอของกิเลสทาไมมันออกทำไมมันออกคิดออกอย่างนั้นทำไมมันจึงงุ่นงานอย่างนั้นพระองค์ให้ดูที่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปจากใจมันมีเหตุผลไหมที่จะออกอย่างนั้นมันทำไมไม่จะออกอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเราที่เป็นนักพรตนักบวชที่เป็นพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าให้รู้เอาไว้ว่า การมาบำเพ็ญอยู่ในป่านี่ไม่ใช่ออกมาเพื่อก่อสร้างเพื่อมาพูดมาคุยมาเรียนมารู้เรื่องต่างๆให้มาศึกษาเรื่องของใจทำสมาธิให้ดูจิตใจขณะนี้เวลานี้จิตใจของเราคิดไปในทางไหนไปทางโกรธถูกพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาใช่ไหมมีความอิจฉาพยาบาทคนอื่นเขาใช่ไหมมีความสบายเพราะมีความโกรธอยู่ในใจอยู่ใช่ไหมหรือมีความรัก ความใคร่เข้ามาเหยียบย่ําจิตใจของเราอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมถ้าหาว่าพวกเรามีสติสัมปชัญญะดูใจของตัวเองรู้ใจของตนเองแล้วนั่นแหละจะเอาชนะใจของตนเองได้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหัสนสาวกที่ท่านเอาชนะใจในเมื่อชนะใจได้แล้ว น, นั่นแหละบริสุทธิ์ตุดพ้นถ้าเอาชนะใจไม่ได้เราก็ต้องเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการนานเท่านานะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านศรัทธาญาติโยมให้ฟังเอาไว้ถึงจะปฏิบัติไม่ได้ทุกอย่างก็ให้ฟังเอาไว้อันนี้คือแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปทำหรือว่าวได้ไปต่อสู้กิเลสของพระองค์ในวันเดือน6กเพนเป็นวันสุดสําเร็จเป็นวันที่สําเร็จของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปบําเพ็ญอยู่หปีเนี่ยท่านสู้อย่างสุดๆอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเรา ขนาดพระพุทธองค์เขียนแผนที่ให้แล้วบอกกล่าวให้แล้วสูตรสําเร็จเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะขนาดนั้นพวกเรายังแต่งเติมและทําตามก็ยังว่าลําบากยากลําบากท่านผู้ค้นคิดทีแรกเนี่ยจะลำบากขนาดไหนที่ท่านค้นคิดหาธทมที่จะมาแนะนําสั่งสอนพวกเราที่ท่านมาจบแล้วอย่างนี้แต่พวกเราทําตามเพียงแค่นี้พวกเราก็ยังว่าโอ้อยากเหลือเกินฮะ ถึงจะยากง่ายยังไงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจิตใจถ้าว่าพวกเราไม่ฝึกฝนจิตใจของเราใจของเราก็จะต้องท่องเที่ยวในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับมดไต่ขอบกระลำมังอย่างนั้น่ะเดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนถ้าไม่ออกจากขอบกระละมังก็เดินอยู่อย่างนั้นเอ่อมันก็ว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยเดินไปเท่นี้นก็กว่าเป็นของใหม่เพราะไม่มีจุดหมายปลายทาง เกิดมาพบนี้ชาติ น, นี้ก็เออพออยู่พอตายไปแล้วก็เออเกิดมาอีกชาติหน้าเออพออยู่เกิดมาในพบใดชาติใดก็พออยู่ในพบนั้นชาตินั้นถ้ามันเกิดเป็นหมามันก็พออยู่ในชาติของหมาถ้าเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างมา้ามันก็พอใจในการเป็นอยู่ของมันถ้าเราเป็นมนุษย์ดูสิเอาถ้าคุณเกิดมาชาตินี้ทุกข์เหลือเกินตาบอดอีตังหากเดี๋ยวเราจะฆ่าคุณให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเศรษฐีเอาไหม เขาก็ไม่เอาอีกอย่างเก่าเขาก็พอใจในการเป็นอยู่กิเลสตัวนี้นะมันติดภพติดชาติกลัมเป็นผู้พานำให้อยู่ให้พอใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วบอกว่ามีทางเดียวที่จะทำยังไงพวกเราจรึงจะเอาชนะใจของตนเองได้นอกจากศีลสมาธิปัญญาสำหรับฆราวาสญาติโยมก็ว่าทานศีลภาวนานี่มันเกี่ยวเกื้อกูลหนุนกัน ท่ว่าทำไมจะไปเกี่ยวถึงทานถึงศีลด้วยอั น, นั้นมันเกี่ยวกับความประพฤติถ้าว่าพวกเราทําตัวให้เดือดร้อนไปอยู่ในสถานที่ใดใครก็เบียดเบียนใครก็รังแกใครก็ดูถูกเหยียดหยามใครก็ไม่ให้เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายใครๆก็ไม่ไว้วางใจเราจะหาความพาสุขได้ยังไงเพราะเหตุไรเพราะใจของเรามันพวักวลวนกับสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกก็ให้เรียบราบเหมือนกับน้ําทะเลมันเนิง่ง พอต่อมาการเป็นอยู่ทั้งกายทั้งวาจา ก, ก็นิ่งจากนั้นก็เข้ามาหาสู่ใจใจก็นิ่งเมื่อใจนิ่งแล้วเนี่ยมันมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเหมือนกับ น, น้ํามันนิ่งน้ําในกระมังหรือน้ํำในที่ไหนถ้ามันนิ่งเรามองดูเราก็มองเห็นหน้าของเราไม่ใช่เหรอมันเป็นกระจกเงาได้นะแต่ถ้าว่าน้ํามันก็เพื่อมอยู่ตลอดเวลาเราจะมองลงไปในน้ํามาเห็นหน้าของเรานะไม่เป็นกระจกว่างั้นเถอะเพราะน้ำมันก็เพื่อม ใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจมันนิ่งแนละ้จะมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนกับใจของเราหวันไหวกวยแวงเหมือนกับคนที่คิดมากอย่างนั้นนะมีปรุงฟุง้งซ่านมันคิดอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวทั้งนั้นแนหะเพราะใจมันฟุง้งปรุงฟุง้งซ่านแต่ถ้าใจมันนิ่งใจมันสงบจะคิดเรื่องอะไรพิจารณาตรีตรองหาเหตุผลเรื่องอะไรก็จะเห็นได้ชัดในใจของท่านผู้ น, นั้นคนผู้ น, นั้น เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ท่านทั้งหลายจงทําจิตให้สงบนะพยายามทําจิตให้เป็นหนึ่งนะก่อนที่จะทําจิตให้เป็นหนึ่งนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องมีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดในเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วสติสัมปชัญญะจะเข้ามาดูใจบังคับใจของตนเองเมื่อบังคับใจใจไม่มีช่องทางที่จะนึกคิดไปทางอื่นเหมือนกับเด็กนั่นนะ สมัยก่อนมันก็ไม่รู้คุณค่าว่าการเรียนหนังสือมีประโยชน์อย่างไรแต่พอบังคับให้เรียนหนังสือพอเรียนหนังสือได้เลยแสงว่าคนที่เรียนหนังสือได้มีคุณค่ามีประโยชน์มากจากนั้นเขาขยันเองนี่ก็เหมือนกันนะใหม่ใหม่เนี่ยพวกเราก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิแต่พอเรานั่งพยายามทำจิตให้สงบสักครั้งสองครั้งเท่านั้นนะมันมีความสุขมันรู้เรื่องต่างๆได้เพราะจิตใจของเรามันนิ่งมันมีความสุข เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่พูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติว่าการฝึกหัดจิตภาวนานั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในเมื่อเราทำให้สม่าเสมอต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชลาเราจะได้พึ่งพาอาศัยจิตใจของเรานะี่ยอัตติอัตโนนาโถนพระพุทธเจา้าท่านตรัสไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตน โกหินาโถปโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้พวกเราเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านทิ้งทั้งหมดท่านเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างพวกเราก็จะทิ้งเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นแหะเพราะนั้นนอกจากบุญกับบาปเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้คิดเอาไว้ให้ดีและก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีพยายามสั่งสนบุญกุศลเอาไว้ หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเราทุกคนรอวีซ่ากันอยู่นะวีซ่าที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเขาเขียนวีซ่ารอไว้แล้วเมื่อเราเกิดขึ้นมาคุณจะไปเกิดแล้วเหรอเอารับวีซา่ารอยวีซ่านะเดี๋ยวจะส่งไปให้อีกวันดีคืนดีเขาจะส่งวีซ่ามาให้พวกเราได้รับวีซา่าบางคนก็นรับเร็วบางคนก็นรับช้าสุดแท้แต่เขาจะส่งมาให้เมื่อไหร่จากนั้นเราก็เดินทางด้วยกันทุกคน ไม่มีใครที่จะอยู่ในเมืองมนุษย์นี้นานเท่านานบางทีก็่าร้อยกว่าปีเสด็จเสด็จตัเองถึงร้อยปีก็ถึงหมดสภาพแล้วพร้อมที่ไม่อยากจะอยู่ในโลกแล้วเงั้นเถอะมันหมดสภาพนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านเก่าด้วยกันแล้วการเดินทางกลับบ้านเก่านั้นเรามีเงินใส่กระเป๋าหรือ ย, อยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดเหมือนกันถ้าหาว่าพวกเราไม่มีเงินในกระเป๋าถ้ากลับบ้านเก่า พี่น้องเขาก็คงจะไม่อยากจะดูเราเหมือนกันไปทุกไปยากไปทาํามาค้าขายแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ส่อแสวงหาทรัพย์กลับมาบ้านเก่ามากระทุกกระทื้อย่างนี้เขาก็จะว่านะแต่ถ้าว่าพวกเรามาแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสั่งสมบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติพ่อแม่สั่งสมคุณงามความดีช่วยเหลือชุมชนสังคมมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนาในตัวเองก็ไม่ประมาทรักษาศีลก็ไม่ประมาท การสั่งสมคุณงามความดีภายนอกก็ไม่ประมาทประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ไม่ประมาทประโยชน์คนอื่นที่เกี่ยวข้องเราก็ทําด้วยความไม่ประมาทนี่แหละหลักของพระเจ้าพระพรธองค์สอนอย่างนั้นอตอนนี้ไปรับพรนะตอนนี้อนุโมทนาให้พร